สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภที่เรกว่าเป็นปรัตูุปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตูุปชีวีเปรตนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจงกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาต แล้วก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตถุปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตถุปชีวีเปรตที่มีประเภทมีรกำเบาไข้จะหมดในประเภทนี้สามารถจะกินน้าเลือดน้ำเหลืองน้าหนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้าเลือดน้าเหลืองน้ําหนองของบุคคลนั่นหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงไม้ว่าจะเป็นปรัชตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องราวของปรัชตูปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาท่านบาุบาลศกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกันมาเล่าให้ฟังอีกสเปรตหนึ่ง เป็นนั้นว่าเรื่องเปรตหนะบายภูมิแล้วก็ของดจําเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปจะสามปีมันก็ไม่จบขอนํามาเล่าไว้เพียงป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปลารบพระสารีบุตรซึง่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเร่องกล่าวว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องโน้งหม่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพังไปด้วยเส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด ยิ่งได้ถามว่าดูก่อนนางเธอไม่มีความสุบผอมมากมีส่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นตามเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเ ป, นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือย ม, มโลกในก่รนรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์สลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเพยก่อนเมื่อเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทาที่เธอทำในกายวาจาใจเป็นอย่างไรยาเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย่าคนดีที่มีจิตเริ่มใสในพระพุทธศาสนา จะพาการชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณบพรามทั้งหลายเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพูกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบรมีเป็นต้นเจนนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็ามาเป็นเปลดถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กรามนี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาติก่อนที่ไม่ได้มีจิตเริ่มใส ในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอนุภาพมากเชนท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จะได้โปรดอดีอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลไม้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกนี้ได้เถิด นี่ฟังแล้วก็จำให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แกเขาก็ให้พระสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งที่โศสนให้แกเขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของสมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากวิน า, าทเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั้นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันขันัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ให้ก็พยายามจึงได้วยถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุลูกหนึ่งแล้วก็อทิศส่วนกุศลให้ก น, นางเปรตนั้นพอท่านภาษารีบุตรเทระอุทิศส่วกุศลให้ ข้าน้ำและเครื่องลงห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแกบรรดานางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั่นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพกระดามีผ้าหนุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้าในแคว่งกาสี คำว่าผ้าในแฟงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดตั้งกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเป็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า ถ้าอาริยเจา้าทำผลนิดเดียวทเทวศสนนิดเดียวย่อมมีอาอันิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยเป็นหน่อยนางเข้าไปหาเรลาริบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจเยนี่ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่ ง, ส, งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจิน ด, ดวงดาวประกายฟึ๊กเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสาเร็จแล้วประเแก้วหลายประยการมีพวกอสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพพิดดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทาบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองให้มิตรศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผล ก, กรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคือยังก่อนภาษารีบ่บทเห็นเธอในสภาพเปรดตอนเช้าท่านได้ให้ได้ให้ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผู้ทิศส่วนกุศลให้เธอเธอเมีนิสงทิ้อย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธิดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านเพราะคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเมื่อคุณเจ้าผู้เป็นมุ น, นีคือมีความรู้มีความรุนนาในโลกเห็นดิฉันสูผ้ผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริืเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่บิสุกแล้วที่ส่วนกุศลให้แกดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบลึกด้วย ก, กามที่น่าปรารถนาคําว่ากามนี่แปลว่าความใคร่นะจะเป็นนึกในเรื่องอื่นเข้า ท่านผู้รดกรอบในกวามที่นุก้าความคข่ที่น่าปราธนาคือมีพวกสมียาบริโภคอาหา ร, ร, าหารมีข้าวมีรสหลายอย่างหรยกว่ามีรสเป็นพันพันอย่างหรืว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดานเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประมาณว่ามือที่ที่ฉันได้รับี่เิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามเมียร่างกายอิ่มเอิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคาเดียวที่พระศาริบุตรให นี่ต่อไปก็บอกถึงอันนี้สงที่ภาษารีบทที่ถาวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็ะบอกว่าเขบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบและอุทิศสุขสนฉันรับแล้วมีอะไรสงอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว่งของไวเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้ามของทีฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าฝ้ า, าผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห่ออยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมนโน่หมขอพระคุณท่านจงดูผลเรื่องการให้ข้าว แล้ต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขณะ น, นี้นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแ ย, ยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดร่าผ้าคุณสัตว์ผ้าอะไรนี่เป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถาวายทานแกพระองค์นั้นได้ผ้านหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถาวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น ผูทิ่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันดิฉันไ ด, ด, ด้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะระโพธิ์ทสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีดมีน้ําใสมีท่าราบเรียบมีน้ําเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาด า, ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐมชาตินั่นดอกอุบลเต็มด้วยน้ําอันดาดา ด, า ด, าดไปได้วยเกสรบัวดิฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พไปคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวไปคุณเจ้าผู้เป็นปราชด้วยความนี่เพื่อคุณเจ้านี่มีความเคยกรุณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้แล้วก็จำว่าทำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ได้วความจริงอยากจะได้แสามเรื่องจะได้แต่ไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านเบะษารีบุตรเห็นเปรตผู้ผอมโซมีแต่ชโครงท่านผู้เ ป, เป็นผู้เปลยกายมีรูปร่างน่าเปลี่ยนซุร้อม มีตัวสัสร้างประดิษฐ์เองคือพอร้อมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นมารดาของท่านเพือได้ช่ติไกลไปแล้วนานนี่ฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือสเลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโ อ, อยหิตผู้หญิงนั้นหลายที่คลอดบุตรและโลยหินเทวโรด ท, ทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เ็เป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินนองกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงเขาบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบทชาท่านเปรย์นนนคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาทิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลละบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวและการกินน้ำเลือดน้ำเหลื อ, นองน้หนองสักทีหนึ่ง ท่านประสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานีจ่จำให้ดีเนี่ยรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แก่เขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วทิศส่งกุศลให้มันจะเอาชักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านประสารีบุตร มีจิตยนุเคราะมารดาได้ฟังคำข้ามารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลานะเทระและพระอนุรุษและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิทั้งสี่หลังในทิศเต็มสี่แล้วจะไว้กุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์นให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศสมกุศลให้แก่มารดา ขณะทีู่ที่ส่วนกุศลนั่นเองข้าวและน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระศาสนิพุตรทําแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิเป็นนางเทพพฤติดาโน้หมมผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฝงกาสีว่าดับไปด้วยอาพรนาวิจิตเข้าไปหาท่านเป็นมหามกขลานะ ่าพระโมคธาลนัทยงถามว่าดูก่อนนางเทพปฏิดาท่านมีวั น, นะงอกงามยิ่งนักบรรณะแปลว่าผิวพรรณทองสว่างสวยไปทั่วทุงทิศสถิตยอยู่ดุเจเช่นดาวประกายพึกท่านมีวันนั้เช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้กับพระสายกรรมอะไร เล่โผค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูกร น, นางเทพบรดาผู้มีอนุภาพมากอาจจะมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะ บ, บุญอะไร นางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นมารดาของท่านพระาดีบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้จริง ก, กินน้ำลายน้ำโมเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซาบศพที่เขาเผาอยู่บเชิแต่กอน กินโลอยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและลหิตแทงบุษรทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าผู้ชายและหญิงไม่กินหนองไม่กินเลือดของสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและขก็มนุษย์ด่ฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา ที่ฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทายของท่านภาษาิบุรข่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษาหบุตรผู้เป็นปรารถผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายฟังแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่แย่รีบรัฐ ขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบแล้วมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าคันนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพยคุยานหรก็ได้ฌานได้มัน้าเอาได้ว่าได้อุปจาระสมาธิก็แล้วกันจีวันนันธาเพราะเรียกตะ ว, วันนันธาเปรตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตานิปิเตสุตันต บ, บีโกขุนตกะลีกายเปรตวัตถุแต่กล่าวว่านันทเสนอมบาศกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็เชิงอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่าเกลียดตัวคุคละน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อ น, นันทาเป็นพยาของท่านได้ทำกรรมันลาวกไว้จึงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันตเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ในกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคาชั่วหยาบแก่ท่านไม่จากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านอ น, นลเลสเนี่ยถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับ น, นางนี่แก้ผ้ายืนมาไม่เป็นเรื่องล็อกเสือก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ เพราะเธอจุนุมผ้านี้แล้วก็จงเราจะนําเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ําจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ายคุณเธอนี่หมายความเป็นเมียชาตินั่นเองน่าเปรยก็แตบ ว, ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สมําเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจากทรงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพศสูตรทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริสิณพวกราจารราคะคือไม่มีความกำหนัดจริดีในเพศเป็นผพ้สูตรเพือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ แล้วทศเสวีทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจำให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาลเลยกระดาษประเภทเผานะ่ะเขาต้องให้จาแบบนี้หรือเวลาสันที่เล่าลัดลับก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั่งพระอรหันต์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพัะชนม์ชีพในที่สุดทําเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็เอาทิศสุขสุสลนั้นให้แก่นามเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปลตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบด้วยทิพย์ มีความสวยสดงงามมีเครื่องบรรดับอเมทิต์มีแสงสว่างแจากกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายก ใ, ให้นันดาเนสนทราบในคืนหลังท่านนันดเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยิงถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นา่ก็ตอบว่าท่านอนัสเสนฉันเป็นพัญญาของท่านที่เป็นนามเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจเจ้าข้าวให้กินยาผ้าาอ ห, หนุงฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าจะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาหารแกบรรดาพระบิดสุส่ส์ผู้ทรงศีบริสุทธิ์ ผูมีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนําไปถวายแกบรรดาพระอหลานนั่งไหลอริสงยิ่งมากอย่างนี้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวานามเปร ก, ก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูนหน่ายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจํา นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตขั้นตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกัทวันดาได้เท่านี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อทานี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิพัพนะมงคลสมบูรณ์ลผลจงมีแด่ ว, วันดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี